ญาติมิตรไม่ควรใช้กำลังจิตหน่วงเหนียวผู้ตายไว้กระแสะความคิดในทางที่ผิดจะเป็นเสมือนกำลังดูดของแม่เหล็กคิดคอยดึงวิญญาณให้ถอยกลับจากกระบวนการแห่งธรรมชาติในขณะที่วิญญาณ น, นั้นกำลังจะออกจากร่างและดังนั้นจะเป็นเครื่องกีดกันไม่ให้เขาเข้าถึงภูมิอันสมควรแก่เขาในโลกที่ได้โดยสะดวก อันที่จริงถ้าจะกล่าวกันยังไม่เกรงใจในเรื่องนี้แล้วข้าพเจ้าก็คิดว่าหากเป็นไปได้ก็ควรจะหาทางทำให้ญาติหรือมิตรที่ยังมีความอาลัยรักผู้ตายอยู่นั้นหมดความรู้สึกไปสักสองสาวันพร้อมๆกันกับที่วิญญาณของผู้ตายจะออกจากร่างก็จะเป็นการดีไม่น้อยทีเดียวเพราะว่าเขาเหล่านั้นจะได้ไม่มีทางส่งกระแสแห่งความคิดถึงและความอาลัยมาคอยดึงวิญญาณของผู้ตายอยู่ และถ้าเป็นไปได้เช่นนี้วิญญาณของผู้นั้นคงจะได้ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์ด้วยวิธีการอันเป็นธรรมชาติจริงๆการติดในกายเนื้อซึ่งเป็นนิสัยของบุคคลส่วนมากนั้นก็จะบรรเทาไปได้ไม่น้อยทีเดียวหากเขาเหล่านั้นได้ตระหนักถึงความจริงดังกล่าวมาแล้วว่ากายเนื้อของเรานั้นอันที่จริงก็เป็นเพียงพาหนะหรือเครื่องอาศัยเพียงชั่วคราว สำหรับส่งให้เราเดินทางต่อเข้ามาสู่โลกทิพย์เท่านั้นเองแต่สำหรับบุคคลผู้ที่เข้าใจในความจริงดังกล่าวนี้ดีพอก็จะไม่ประเมินราคาของกายเนื้อให้สูงเกินไปเขารู้ดีว่าวันหนึ่งยานพาหนะหรือเครื่องอาศัยอันได้แก่กายเนื้อนั้นจะต้องหมดสมรรถภาพคือจะอาศัยใช้สอยเป็นยานพาหนะหรือเป็นเครื่องมือไม่ได้อีกต่อไปดังนั้น เมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆเขาก็จะไม่มีความมาอะไรในสิ่งที่หมดสมรรถภาพแล้วเช่นนั้นทุกคนก็จะต้องผ่านสภาวะเช่นนี้เหมือนกันในวันหนึ่งดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมัวลงไปยึดถือไว้ว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของของเราเขายอมยินดีที่จะปล่อยมันให้เป็นไปตามทางของมันในเมื่อหมดหนทางที่จะช่วยรักษาให้มีสมรภาพได้อีกต่อไปแล้ว และกายเนื้อซึ่งถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลังแล้วนั้นก็ไม่ควรจะเป็นเครื่องหมายของความอัปมงคลหรือความศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใดข้าพเจ้าใครจะขอยกข้ออุปมาให้ท่านเห็นจริงสักเรื่องหนึ่งคือในโลกมนุษย์นั้นสมมุติว่าท่านมีเสื้อตัวหนึ่งซึ่งท่านสวมใ ส, ส่จนกระทั่งเ่าขาดปูปากและคล้ำราเต็มทนจนกระทั่งใช้สวมใส่ต่อไปอีกไม่ได้แล้ว ท่านก็คงจะต้องโลาะทิ้งไปโดยไม่ต้องพวงอะไรหรือให้เกียรติและนับถือเสื้อตัวนั้นแต่อย่างใดไม่ใช่หรือเสื้อตัวนั้นได้รับใช้เรามาจนหมดอายุของมันแล้วก็ควรจะให้เลิกแล้วกันไปในเมื่อต่อจากนั้นเราก็อาจจะหาเสื้อตัวใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่ามาสวมใส่ต่อไปได้ในทำนองเดียวกันในโลกทิพนี้เราก็ได้มีเครื่องแต่งกายคือร่างกายใหม่ ที่สะอาดสวยสดงดงามและมีคุณภาพคงทนถาวรยิ่งกว่าเสื้อคือร่างกายเดิมของเราอย่างเทียบกันไม่ได้มันเป็นเสื้อที่สมบูรณ์และเหมาะสมแกเราอย่างที่สุดเท่าที่เราจะพึงตั้งใจให้มันเป็นได้ทุกวิธีทางและเสื้อคือร่างกายใหม่นี้เราก็ได้สร้างมันขึ้นมาด้วยกรรมของเราเองซึ่งเป็นเสมือนวัตถุที่ไม่มีวันเสื่อมโทรมหรือสูนสลายไปได้เลย คุณภาพของเสื้อตัวใหม่คือร่างกายนี้ก็ดีตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อมคือโลกที่เราอยู่ใหม่นี้ก็ดีเป็นสิ่งที่วิเศษเลอเลิศกว่าของเก่าอย่างชนิดที่จะหาคำพูดใดๆมาบรรยายให้เห็นจริงไม่ได้เลยขนบรรมเนียมประเพณีเก่าๆที่เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณ น, นั้นส่วนมากนอกจากจะหาประโยชน์อย่างใดไม่ได้เลยแล้วยังก่อให้เกิดโทษเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย ราส่วนมากมักมีแต่เรื่องและอารมณ์ที่ทําให้เกิดความเศร้าโศกบ้างทําให้เกิดสิ่งที่เป็นอับปมงคลบ้างดังนั้นถ้าจะให้เป็นการเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วขนบธรรมเนียมและประเพณีดังกล่าวส่วนใหญ่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกไปเสียเลยหลังจากการแตกทําลายแห่งกายเนื้อ ตามปกติกายทิพย์จะต้องใช้เวลาประมาณ2ถึงสวันตามเวลาโลกมนุษย์จึงจะสามารถแยกออกจากกายเนื้อได้โดยเด็ดขาดและในระหว่างนี้กระแสะจิตของผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์จะเป็นอุปสรรคก่อให้เกิดแรงดึงอย่างมากแก่วิญญาณของผู้ดับไปในกรณีเช่นนี้แทนที่วิญญาณของผู้นั้นจะจากโลกนี้ไปโดยสะดวกก็กลับจะต้องมาวนเวียนคอยห่วงอาไัและทนทุกข์ทรมาน อยู่ในบริเวณที่ทําศพนั่นเองวิญญาณของผู้นั้นจะเพิ่มความเศร้าโศกยิ่งขึ้นในเมื่อได้ประสบพบเห็นทั้งพิธีศพที่เขาทําให้แก่ตนและต้องถูกดึงให้ถอยกลับเพราะประสาจิตแห่งความอาลัยและเศร้าโศกของผู้อยู่เบื้องหลังเหล่านั้นตลอดเวลาเหล่านี้เขาจะรู้สึกว่ามีน้ําหนักกดอยู่ที่ดวงจิตของเขาอยู่ตลอดเวลาและถ้าเขายังไม่รู้ว่า ตนได้ตายจากโลกมนุษย์ไปแล้วก็จะได้รับความทุกข์ทรมานเพิ่มขึ้นอีกเป็นสองเท่าเมื่อเขาพยายามพูดกับญาติมิตรของเขาโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะได้ยินเช่นนี้ความทุกข์ทรมานดังกล่าวก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกเป็นสามเท่านี่แหละท่านผู้อ่านจะมองเห็นหรือยังว่าการมีความรู้ในเรื่องเช่นนี้ไว้ล่วงหน้าแม้เล็กน้อยนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งเพียงใด ถ้าจะพูดกันในแง่ของพวกเราชาวโลกทิพย์แล้วเราก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดถึงแก่ความตายลงก็ไม่ควรที่จะให้มีญาติพี่น้องหรือมิสหายมาชุมนุมกันเพื่อแสดงความเศร้าโศกหรือเพื่อทําพิธีเกี่ยวกับศพอย่างหนึ่งอย่างใดเลยทีเดียววิธีที่ดีที่สุดก็คือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสัปเหร่เขจัดการกับซากของกายเนื้อนั้นไปตามวิธีที่คิดว่าสมควร ตามหลักสุขวิทยาอาณาไม้นั่นแหละจะดีกว่าแต่หากว่าบางรายยังมีความอาลัยในพิธีทางศาสนาอยู่จะขอทำบ้างตามธรรมเนียมเพื่อให้เป็นเรื่องอบอุ่นใจก็ควรให้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาอย่าให้มีลัทธิความเห็นแปลกปลอมเข้ามาทำให้เสียจตนารมอันเดิมไปเช่นพิธีทางสยศาส ต, ต่างๆและพิธีที่สักต่ว่าทาไปโดยไม่มีความหมาย ข้อสำคัญก็คืออย่าให้มีการสวดมนต์ภาวนากันเป็นอันขาดเพื่อจะขอพอรพระผู้เป็นเจ้าให้วิญญาณที่จากไปนั้นได้พักพอรออยู่ชั่วอนันตการเพราะพวกเราชาวโลกทิพย์ทุกคนอดเสียวใจไม่ได้เลยเมื่อคิดถึงว่าหากคำสวดมนต์วิงวอนดังกล่าวมาแล้วนั้นเกิดเป็นความจริงขึ้นมาพวกเราคงไม่ทราบว่าจะมีสภาพเป็นเช่นไรกันแน่ ความคิดที่ว่าไม่ต้องมีการทำอะไรกันเลยนอกจากพักผ่อนกันไปตลอดกาลนานนั้นเป็นเรื่องที่น่าสะยดสยองอย่างยิ่งในเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมอันเต็มไปด้วยความสุขสำราญและการทำงานอย่างแข็งขันที่พวกเราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อันที่จริงข้าพเจ้าคิดว่าถ้าหากจะมีวิธีใดวิธีหนึ่งสำหรับจะทำลายจิตใจหรือวิญญาณได้เป็นอย่างดีที่สุดแล้ว ก็เห็นจะเป็นการพักผ่อนกันตลอดการโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนี่เองหากญาติพี่น้องของผู้ตายปรารถนาจะสวดมนต์วิงวอนบ้างก็ย่อมจะทำได้แต่ขออย่าให้เป็นเรื่องของการโศกเศร้าหรือขับไล่ความอัปโมงคลออกไปเลยจิตใจของบุคคลเหล่านั้นควรจะได้รับการอบรมให้มีภูมิธรรมสูงขึ้นไม่ใช่ให้ต่ำลงและควรให้มีความรู้แจ้งยิ่งขึ้น ไม่ใช่ให้เป็นไปด้วยความโง่เขลามากขึ้นเพราะฉะนั้นการสวดมนต์อ้อนวอนควรจะให้เป็นเรื่องสั้นๆย่อๆและตรงกับจุดหมายที่ต้องการอย่าให้เยินเยื้อยืดยาววิญญาณของผู้ที่จากไปนั้นไม่ได้ถูกบังคับให้ไปเข้าแถวรอการพิพากษาโทษจากผู้พิพากษาที่หาความการุณาไม่ได้ซึ่งจะต้องลงโทษวิญญาณอย่างหนักหากพวกเราไม่ช่วยสวดมนต์วิงวอน ข้าเจ้าขอยืนยันจากประสบการณ์ของตนเองว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเลยดังนั้นขอให้คำสวดมนต์วิงวอนดังกล่าวนั้นมุ่งตรงไปที่พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นบิดาแห่งเราทั้งหลายเพื่อขอให้ทรงกรุณาต่อวิญญาณที่กําลังจะผ่านเข้าสู่โลกทิพย์และขอให้ช่วยเพิ่มพลังให้แก่ผู้มีหน้าที่นําวิญญาณเข้าสู่โลกทิพย์อีกด้วยอันที่จริง เราเองก็ต้องการความช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนในเรื่องเช่นนี้เหมือนกันและโดยเฉพาะภารกิจคือการนำวิญญาณของผู้เข้าถึงโลกทิพย์ใหม่ๆเช่นนี้ก็ยิ่งเป็นการจาเป็นมากขึ้นการไร้โลกย่างยืดยาวและไพเราะเพราะพริงต่างๆจะไม่มีประโยชน์แก่พวกเราหรือแก่วิญญาณของผู้ที่จากไปแล้วเลยดังนั้นขอให้ท่านจาไว้ด้วยว่าสิ่งที่จะเกิดผลในการนี้ คือคำสวดวิงวอนสั้นๆและให้ตรงเป้าหมายจริงอยู่ผลที่เกิดขึ้นจากคำวิงวอนนั้นชาวโลกมนุษย์มองไม่เห็นแต่สำหรับพวกเราจะปรากฏให้เห็นอย่างรู้สึกได้อย่างแจ่มชัดเลยทีเดียวเพราะในฉับพลันจะปรากฏเป็นแสงสว่างอันมีพลังพุ่งลงมาช่วยเหลือซึ่งทำหภิารกิจของเราง่ายขึ้นอีกมากอีกอย่างหนึ่ง ขอให้ท่านจงสวดวิงวอนให้วิญญาณของผู้ที่จากไปนั้นได้ตื่นจากความหลับด้วยอํานาจแห่งความเคลาในสภาวะของโลกทิพย์โดยเร็วเพื่อว่าจะได้มีชีวิตอย่างพาสุขตามสมควรต่อไปเพราะจากประสบการณ์ของข้าพเจ้าเองแสดงให้เห็นว่ารายใดที่มีการสวดอ้อนวอนอย่างแน่วแน่แนสั้นๆและตรงเป้าหมายดังกล่าวมาภารกิจของเราในรายนั้นก็ง่ายขึ้นอีกมากอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว อาจมีบางท่านคัดค้านว่าในกรณีที่เกิดมีการตายขึ้นนั้นย่อมเป็นการเหลือวิสัยที่จะไม่ให้เกิดความเศร้าโศกขึ้นได้และดังนั้นการที่จะให้เกิดมีการเรื่องเริงบันเทิงใจขึ้นนั้นดูออกจะเป็นเรื่องวิตถานอยู่ไม่น้อยซึ่งนอกจากจะผิดจากความรู้สึกทั่วๆไปที่สืบเนื่องมาเป็นประเพณีแล้วยังเป็นการไม่เคารพต่อความรู้สึกของผู้อื่นที่เขากาลังเศร้าโศกกันอีกด้วย ข้าพเจ้าขอตอบว่าเรื่องนี้แก้ไม่ยากคือขอให้เราทั้งหลายรู้ความจริงเกี่ยวกับโลกทิพย์อย่างท่องแท้เสียก่อนเท่านั้นต่อจากนั้นเรื่องอื่นๆก็พอจะแก้ไขได้โดยง่าย